สำหรับผู้ที่ฝึกไม่ได้นั้นยกตัวอย่างก็เช่นท่านอาจารย์สนชัยของท่านพระสาริบุตรพระโมคคัลลานะเมื่อท่านยังเป็นปริพาชกก็ได้เข้าสำนักเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์สนชัยเมื่อท่าน ได้พบกับพระอัศชิได้ฟังเทศนาย่อของท่านพระอัศชิท่านได้ดวงตาเห็นธรรมก็กลับไปชับชวนอาจารย์ให้ไปฟ้าพระพุทธเจา้าด้วยกันแต่ท่านอาจารย์สนใจไม่ยอม และได้กลับถามลูกศิษย์ทั้งสองที่มาทักชวนว่าคนในโลกนี้คนโ ง, ง่มากหรือคนฉลาดมากท่านทั้งสองก็ตอบท่านอาจารย์ว่าคนโง่มากท่านอาจารย์สุนชัยจึงได้กล่าวว่าถ้าชินนั่นก็ให้คนฉลาดไปหาพระสมณะโคดม ส่วนคนโง่นั้นให้มาหาเราและก็ได้กล่าวว่าท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เหมือนเป็นจระเข้ใหญ่อยู่ในน้ำจะเอาเจระเข้ใหญ่ไปใส่ตุ่มเล็กๆไว้นั้นไม่ได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าท่านมีทิธฐิมานะแรงกล้าไม่ยอมที่จะรับเทศนาของพระพุทธเจา้า จึงเป็นอันบรวฝึกไม่ได้ส่วนท่านปูราณชจดินคือท่านจดินสามพี่น้องที่มีบริวารรวมกันเข้าเป็นจำนวนมากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงฝึกในทีแรก เดิูเป็นพี่ใหญ่นั้นก็ได้สําคัญตนว่าเป็นพระอระหันต์ไม่ยอมรับที่จะฟังเทศนาของพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงกิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเมื่อทรงแสดงไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งท่านจะดินผู้เป็นพี่ใหญ่นั้น ก็นึกชมอยู่ในใจพระพุทธเจ้าเก่งสามารถแต่ว่าถึงขนั้นก็ไม่เป็นพระอระหันต์เหมือนเราท่านเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอีกท่านก็คงคิดอย่างนั้นท่าชมแต่ท่านก็ว่ายังไม่เป็นพระอระหันต์เหมือนเราในที่สุดเมื่อพระพุทธเจ้าได้สแสดง ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หลายอย่างหลายประการในสุดท่านก็ยอมพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศแต่ท่านเองนั้นยังไม่ได้ไม่ถึงเมือพระพุทธเจ้าก็เป็นอนุทันรถทิธฐิมานะลงได้ยอมรับฟังคำสั่งสอนของพระองค์เมื่อจิตใจของท่าน อ่อนลงมายินยอมที่จะฟังคำสั่งสอนของพระองค์ดังนี้พระพุทธเจา้าจึงได้ทรงแสดงธรรมะโปรดเป็นเทศนาครั้งที่สามแม้ในเทศนาครั้งแรกที่พระองค์ทรงแสดงแก่ท่านฤาษีทั้งห้าที่เรียกว่าปเป็นเจ้าขีท่าน อ่านั้นทีแรกก็ไม่ยอมที่จะรับอรหุตเทียญเป็นศัตรูเหมือนกันแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงว่าเมื่อก่อนแต่นี้พระองค์ได้เคยตรัสแก่ท่านทั้งห้านี้ว่าเราได้ตรัสรู้ได้มาที่จะสแสดงอรรมธรรมแก่ท่านทั้งห้า พระองค์ไม่เคยตรัสอย่างนี้หรือไม่ท่านดังห้าจึงระลึกได้ว่าพระองค์ไม่เคยตรัสอย่างนี้เมื่อเป็นดังนี้ท่านดังห้านั้นจึงมีใจที่อ่อนลงเป็นอันว่าได้คลายทิฐิมานะพร้อมที่จะฟังธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดง ปรมเทศนาโปรดเพราะฉะนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงสแสดงธรร ม, มเทศนาทุกคราวนั้นก็จะก็จะต้องทรงทราบถึงอุปนิสัยอินทรีย์เป็นต้นของผู้ที่จะรับธรรมเทศนาก่อนเมื่อเป็นเช่นไร ยังมีทิฏิมานะอยู่พระองค์ก็ยังไม่ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดถ้าจะเป็นบุคคลที่อาจฝุกได้พระองค์ก็จะแสดงที่เรียกว่าเป็นอิทธิปาฏิหารปาฏิหารที่เป็นฤทธบ้างและอาเทศนาปาฏิหารปาฏิหารคือความที่ดับใจ คืออ่านใจได้และก็ได้ตรัสดักใจอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างจนเขาคลายคิฏฐิมานะหรือคลายความคิดเห็นในทางที่ผิดแล้วจึงจงจงึจงจะทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหารคือทรงพร่ำสอน เพราะฉะนั้น ท, ทุกคราวที่ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนจะต้องตรงตรวจอุปนิสัยตรวจวาสนาบารมีตรวจอินทรีย์ของผู้ฟังเสก่อนมาเป็นอย่างไรและจะต้องทรงดัดคิดทีมานะของผู้ฟังลงก่อนให้พร้อมที่จะฟังแล้วจึงทรงแสดงธรรมและธรรมะที่ทรงแสดงนั้น ก็ต้องเหมาะแก่พื้นอัตยาสัยอินทรีของผู้ฟังด้วยผู้ที่มีอินทรีอ่อนก็ต้องทรงอบรมด้วยธรรมะที่เป็นเบื้องต้นให้ปฏิบัติจนมีอินทรีแก่กล้าขึ้นมาพอสมควรแก่ธรรมะชั้นไหนก็ทรงแสดงธรรมะชั้นนั้นสั่งสอนเมื่อเป็นดังนี้ ผู้ฟังทั้งหลายจึงได้รับประโยชน์ตามสมควรใ่ภูมิชั้นของตนอันเรียกว่าปริสธรรมะเป็นบุคคลที่ฝึกได้และก็ทรงทําให้เขาเป็นบุคคลที่ฝึกได้ด้วยในเมื่อเขานั้นเป็นผู้ที่สามารถจะละคิฐิมานะสามารถที่จะอบรมพื้นภูมิของตนให้สูงขึ้นสูงขึ้นตามที่ทรงแนะนําเป็นโดยลําดับ ฉะนั้นไม่ใช่ว่าบุคคลทุกๆคนนั้นจะเป็นบุคคลที่ฝึกได้ทีเดียวทีแรกก็อาจจะเป็นบุคคลที่ฝึกไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะฝึกได้ก็ทรงฝึกไปก่อนตามขั้นตอนตลอดจนถึงทรงสั่งสอนเพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมะไปตามควรแก่ภูมิชั้น ดังนี้ก็ทรงทรงเพราะทรงประกอบด้วยพัญญาต่างๆดังเช่นพศสนญาณปัญยานที่มีกําลัง9ที่มีกําลังสิบพราะฉะนั้นจจนเมียพระพุทธองค์มาประทศสนและยังทรงประกอบด้วยปัญญาอื่นๆจึงทําให้สามารถทรงประกาศพระพุทธศาสนาตั้งพุทธบริษัทได้สาเร็จ เพราะฉะนั้นจึงรมได้ประนามว่าเป็นผู้ฝึกบษที่ควรฝึกไม่มีผู้นจะยิ่งขึ้นไปกว่าต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังส่วนและตั้งใจสัความสงบสืบต่อไปบัดนี้จะกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรม และประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่า อนุตรโรสอนุตรโรปริสดัรรมมัสารถิ<_ <k> _>เป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่าต่ออีกวันหนึ่งบุคคลในโลกนี้ แบ่งได้เป็นสองคือเป็นบุคคลที่ควรฝึกหรือฝึกได้จำพวกหนึ่งบุคคลที่ไม่ควรฝึกหรือฝึกไม่ได้อีกจำพวกหนึ่ง เรียกตามศัจำพวกจำพวกแรกก็เรียกว่าปุริสธรรมะจำพวกสองก็เรียกว่าปุริสอะธรรมะและเมื่อจะ เทียบกับบุคคลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้สี่จำพวกคือหนึ่งอุคติตันยูบุคคลผู้รู้เร็วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ยงยกหัวข้อขึ้นก็รู้ตามได้สองวิปจิตันยูบุคคลที่รู้ชาเข้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอน ยกหัวข้อธรรมะขึ้นเมื่อทรงอธิบายจึงจะเข้าใจจึงจะรู้ตามได้บุคคลจำพวกที่สามเนยะพึงแนะนำได้คือ ทูากว่าจำพวกที่หนึ่งและจำพวกที่สองเมรุพุทธเจ้าทรงยกหัวข้อธรรมะขึ้นทรงแสดงอธิบายครั้งหนึ่งก็ยังไม่เข้าใจต้องทรงพร่ำสอนหลายหน บ่อยๆจึงจะเข้าใจได้จึงจะรู้ตามได้บุคคลจำพวก่รีปะทะปรมะแล้ว่ามีบทอย่างยิ่งอันหมายความว่าเป็นภูที่โง่ทึบอย่างยิ่ง ไม่อาจที่จะเข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงได้พระพุทธเจ้าเมื่อในตรัสรู้แล้วใหม่ๆก็มีแสดงว่าในขั้นแรก พรมพระไทยไปเพื่อจะไม่แสดงธรรมสั่งสอนเพราะทรงเห็นว่าธรรมะที่ไดตรัสรู้เป็นธรรมะที่ลุมลึกที่ละเอียดและเป็นธรรมะที่ทวนกระแสโลก ทวนกระแสกิเลสโลกหรือสัตวโลกนั้นมีจิตใจน้อมไปตามกิเลสตามกระแสกิเลสตามกระแสโลกมีความติดใจ มีความเพลิดเพลินอยู่กับตันหาความดิ้นรนทยานอยากและในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งตันหาทั้งหลายเป็นกระแสกิเลสที่พัดจิตใจสัตวโลกให้ไหลไป คธรรมะที่ได้รัจสะัรู้และจะทรงแสดงสั่งสอนก็กล่าวได้ว่าเป็นกระแสเหมือนกันเดียวกกระแสธรรมซึ่งทวนกับกระแสโลกเพราะสอนให้ละตันหาละความติดใจ ความเพลิดเพลิน อ, อยู่กับตันหาและอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งตันหาทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงน้อมประทัยไปเพื่อที่จะเป็นผู้ขนขวายน้อย ทรงแสดงคำสั่งสอนแต่อาศัยพระกรุณาที่แผ่ไปในสนรรพสัตว์ทุกทว น, น้าอันท่านแสดงว่าเท้าสห ม, มดีพรมมากราบทูลอาราธนาด้วย แสดงว่าสัตวโลกที่มีกิเลสทุลีในจักสูุคือดวงตาใจน้อยก็มีอยู่สัตวโลกจําพวกนี้ ที่จะรู้ตามธรรมะที่ทรงสั่งสอนได้จึงขอให้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนยังได้มีบทผูกเป็นภาษาบาลีใช้อาราธนาพระทรงเมื่อเวลาแสดงธรรม ว่าพรมาจโลกาที่ปฏิสหัมปติเป็นต้นซึ่งท่านก็ถอดใจความเอาได้อย่างหนึ่งว่าก็คือพระมหากรุณาที่บังเกิดขึ้นในประทัยของพระองค์จึงได้ทรงพิจารณาดูสัตวโลกก็เห็นว่ามีอยู่สี่จำพวก ดังที่เด็กกล่าวนั้นซึ่งเปรียบได้กับดอกบัวสีเหล่าดอกบัวสีเหล่านั้นก็คือดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วได้รับแสงอาทิตย์ ก็จะบานขึ้นได้ทันทีดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำเมื่อโผล่ขึ้นพล้นน้ำในวันต่อไปต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นได้ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำต่ำลงไป วันต่อตอไปก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำต้องแสงอาทิตย์ก็บานได้กับดอกบัวที่อยู่ก้นสะก้นบ่อก้นน้ำซึ่งจะต้องเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาบานได้บุคคลผู้เป็นอุคติตันยูรู้เร็วก็เหมือนอย่างดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานทันทีบุคคลจำพวกที่เป็นวิปจิตัญยู เหมือนอย่างดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำเมื่อโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานได้ดอกบุคคลที่เป็นเนื้อยะที่พึงแนะนำได้พรำสอนได้คือต้องสอนบ่อยๆต้องพรำสอน ก็เหมือนดังดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลงไปวันต่อต่อมาโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำก็บานได้ส่วนบุคคลที่เป็นปัททะประมะที่ทึบอย่างยิ่งมีบทอย่างยิ่งเหมือนดอกบัวที่โยกลนสะ ไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาบานเป็นอาหารของปลาเต่าต่อไปบุคคลสามจำพวกข้างต้นคือที่เป็นอุคติตัญญูรู้เร็วที่เป็นวิปจิตัญญูรู้ช้ากว่า และบุคคลที่เป็นเนยะต้องพร่ำสอนจึงรู้สามจำพวกนี้รวมเข้าว่าเป็นเวเนยะหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าเวในเมนยยสัตคือเป็นสัตว์โลกที่พึงแนะนำสั่งสอนได้ พระพุทธเจ้าทรงแพ่พระเมตตาไปในสัตว์โลกทุกทวนนาและเสร็จเสร็จไปทรงแสดงธรรมะสั่งสอนจำพวกติ่เป็นเวนายะที่เรียกว่าเวนายนิกรหมู่ชนที่พึงแนะน้ำได้และ พวกนี้นี่แหละที่เป็นปุริสธรรมะบุรุษบุคคลที่ปึงแนะนำได้คำว่าเวไนยะกับคำว่าปุริสธรรมะก็มีอัถะคือเนื้อความเป็นอย่างเดียวกัน วิธีที่ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคลที่ควนฝึกอย่างไรนั้นได้มีแสดงไว้ในเกสีสูตรที่มีความย่อว่า ในสารถีฝึกมาผู้หนึ่งชื่อว่าเกสีได้เข้าฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสถามสารถีฝึกมาผู้นี้ว่า ได้ฝึกมากอย่างไรสารีฝึกมากแกสีก็ได้กราบทูลว่าตนได้ฝึกมากด้วยวิธีฝึกอย่างละเอียดบ้างด้วยวิธีฝึกอย่างยาบบ้าง โดยวิธีฝึกทั้งอย่างละเอียดทั้งอย่างหยาบบางพระพุทธองค์ตรัสถามต่อไปว่าเมื่อในเกสีฝึกมากด้วยวิธีทั้งสามดังกล่าวแล้วแต่ฝึกไม่ได้จะทำอย่างไร นายเกศีก็กราบทูลว่าก็ขามานั้นเสียเพราะว่าถ้าเอาไว้ความกำหนิติเตียนก็จะบังเกิดขึ้นแก่อาจารย์ฝึกมาท่านนายเกศีได้กลับ ดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลถามว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคลอย่างไรจึงได้มีพระคุณพุ่งขจรไปว่าทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะ ย, ยิ่งขึ้นไปกว่า หรือไม่มีที่จะยิ่งขึ้นไปกว่าพระพุทธองค์จึงตรัสตอบว่าแม้พระองค์เองก็ทรงฝึกบุรุษบุคคลด้วยวิธีฝึกที่ละเอียดบ้างด้วยวิธีฝึกที่หยาบบ้างด้วยวิธีฝึก ที่ทั้งละเอียดและทั้งหยาบบ้างและก็ได้ตรัสอธิบายต่อไปว่าทรงฝึกด้วยวิธีฝึกอย่างละเอียดนั้นคือทรงแสดงว่าการจะสุดจริตเป็นอย่างนี้ วจีสุจริตเป็นอย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้ของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้ของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้ เทพเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้ทรงฝึกด้วยวิธีฝึกอย่างหยาบนั้นก็คือทรงฝึกโดยทรงแสดงสั่งสอนว่ากายทุจริตเป็นอย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้มนุษย์ทุจริตเป็นอย่างนี้ลีบากผล ของกายทุจริตเป็นอย่างนี้ของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้ของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้นิยยะคือนรกเป็นอย่างนี้กำเนิดเ ด, ด, ดชฉานเป็นอย่างนี้